บางเอิเจะแม่บางงอนสวมือ เธอสัญยากันจะอยู่กับฉันมีแค่เราสองคนนะ เ, เพราะว่าเธอคือสิ่งเดียวที่มีและในตอนนี้ก็มีเพียงแค่เราทำนั้นบังเอิญจะแม่บังง่นสวยเหมือนนางเอกละครหัวใจมันสั่นมันคลอนไม่ต้องการใครอื่นแค่เธอก็พอผมต้องการเธอแค่เท่านั้นไม่หวังมีใครอื่นสวยมือน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 I'm not gonna let you g